บัญญาต1หนก็ภิกษุณีใดบวชให้ภุมารีมีอายตุต่ำกว่า20ปีต้องอะบัดปาจิตตีเรื่องภิกษุณีหลายรูป